อ, อตอนนี้ก็เป็นการต่อจดหมายต่อเ <c oughs> จ้ารบบนี้เป็นจดหมายของไครของคุณพี่ไลวันขีดแล้วก็เจฟฟี่สามีนะเอ็กเคอร์อสมาชิกธรมริโมกหมายเลขสองสามสี่สี่เออเธอเขียนมาว่ายังไง อเขียนมาบอกว่าหนึ่งศูย์หเก้าซอยมิตรอุดมสองสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการสุ ข, ขุมวิตกทมห น, นึ่งศูนย์สองเจ็ดศูนย์นี่คดไปสนีเลยไม่ได้ตอบก็เธอเขียนมาตั้งแต่วันที่สามมีนาคมสอง6ันห้ารอยี่ิหกไอ้หนูยังเขียนไม่ได้ลูกเอ้ย นี่ยังเขียนไม่ได้นะตอนสายพูดนอนพูดทะลุเนี่ย <c oughs> ที่พูดที่พูดอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่นั่งพูดนันงนอนพูดยังท้องถ่ายจกจกจกจกนั่งถ่ายบ้างอืดบัางมันทรมานเลยเกินจะไม่ไปเป็นไรเพื่อลูกรักมันมีแรงมันงกเอานอนพูดได้ไม่ช้าก็ตายพูดหมดเรื่องมวรายกันลูกเขียนมาว่าอย่างนี้น้ำเสการหลวงพ่อที่ก ร, รบอย่างสูง ลูกขอกราบเรียนหลวงพ่ออะไรพึงเอาถึงปัญหาธรรมต่างๆดังนี้เจ้าค่ะหนึ่งเอออย่างนี้ดีถามใแ้กแชกนี้ดีหนึ่งเมื่อลูกทำบุญที่วัดต่างๆถ้าลูกจะนำหลักฐานของวัดมหักภาสีเงินได้เป็นประจำปี ไอนน้สงสัการบำเพ็ญกุศลจะลดน้อยลงไปหรือไม่แล้วเทก็วงเล็บบอกว่าไม่เคยทําเลยเจ้าค่ะอันนี้ขอตอบสั้นๆลูกเอ้ยไม่ไม่อันนี้สงฆ์ไม่ลดเลยเพราะเป็นของถูกต้องเพียงแค่ใบโมทนาบัตรเขาแจ้งไปว่าหนูมาทำบุญแล้วหนูก็ไปหักภาษีนละ้วมันเป็นเศรษฐีสิทธิเนี่เราไม่ได้เคยไม่ไรักไม่ขโมยเขานะไม่เป็นไรนะลูกนะ ก็สองเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกคนแรกเสียสิดปีที่แล้วนะลูกฝันเห็นว่าพดะเจ้ายือนอยู่บนฟ้าสามีของลูกแต่งกายเหมือนพระสงฆ์ยือนอยู่บนหน้าบันไดเลื่อนและเมื่อลูกเห็นดังนั้นลูกก็จับชายจีวรของพระสงฆ์ขึ้นไปป้าวพระพุทธเจ้า ในเดือนมกราคมปีนั้นเองลูกได้ฝึกมโนยิทธิและทุกครั้งลูกจะเห็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับที่ลูกเห็นเมื่อ11ปีก่อนและเมื่อลูกมาที่วัดท่าสุงเมื่อวันที่26กุมภาพันนีลูกก็ประหลาดใจอย่างมากที่เห็นพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ที่ซุ้มประตูหน้าโบสถ์ องค์ยืนหายควายยกขึ้นเป็นองค์เดียวกับที่ลูกได้เห็นแล้วก็เห็นเสมอมากระดาเปลียนถามหลวงพ่อว่าการที่ลูกได้เห็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะก็เขาตอบง่ายๆเลบอก็่าลูกทำถูกสิ่งที่เห็นได้อย่างนี้นะเพราะหนึ่งตั้งสมาธิเวลาทำสมาธิตั้งใจถูกนิวรนไม่กวนใจ ในเมื่อนิวรณไม่กลนใจถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอารมณ์ก็เป็นทิพย์ตอนนี้ลูกมีความเคารพในพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ถือว่าเป็นพุทธานุสติกมามฐานฉะนั้นภาพที่เห็นจริงเป็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าจริงๆแยาถามว่ า, งาองค์เสด็จมาหรือไม่นะ่ะเป็นเรื่องไม่ต้องพูดกันถือว่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าที่เราเห็นจริงควรยึดถือไว้ กร็รวมความว่าภาพภาพพร ะ, พระที่ลูกเห็นคนจับไว้ให้เป็นปกติอย่าปล่อยไปนะแล้วก็จะได้เป็นดีพึ่งของลูกอย่างหนักเอางี้ดีไหมต่อยสักนิดหนึ่งแต่ว่าลูกมีความคล่องใจอะไรนะก่อนจะเริ่มภาวนาตัดสินใจให้ดีให้เรียบร้อยดังอภิวรรธนาบรรยการให้ครบถ้วนเฉพาะเวลานั้น แต่ถี่ยมีสามีระงับมีวรไม่ได้ไม่จริงเฉพาะเวลาที่เราจะเร่งกรรมฐ า, านระงับจะให้มันกวนใจแล้วตั้งใจคิดว่ากิจการงานใดที่เราจะทํานั่นมันจะดีแล้วมันจะเร็วถ้าไม่ยันดีแล้วมันจะช่วยยังไงขอพระพุทธพระขอบรารมีพระพุทธเจ้าช่วยสงเคราะห์บอกตามความเป็นจริงแล้วลูกก็ทําสมาธิไปเวลาตะลน เวลาเริ่มภาวนาทำสมาธิต้องทิ้งอารมณ์นี้นะทำใจสะพาบายรับผลไม่ไดเกิดกับลูกได้รับผลเป็นการใดเชื่อตามนั้นถูกถู ก, ถกต้องแต่อย่าลืมนะวเวลาภาวนาห้ามนึกถึงสิ่งที่เราคิดไว้นะปล่อยใจเป็นปกติอะไรเสียงกลงกังกงกังจะเวณนนิกว่าสถานีวิทยุขยุ่งนะเอาเอา เ, อาเครื่องส่องตัวหนังสือไปจิ้มจิ้งกับโรงไฟฟ้าเข้าแล้วกสาม สามีของลูกเป็นชาวอังกฤษแต่ก็มีความสนใจและมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากเวลานี้กำลังฝึกมโนยิทธิอยู่หลวงพ่อจะมีคำแนะนำใดๆให้เขาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์มากขึ้นไหมเจ้าค่ะบองเล็บเวลานี้อ่านหนังสือของลุงพ่อชาอยู่เจ้าค่ะ แล้วก็ฟังเทปของหลวงพ่ออยู่ไม่ทราบว่าเทปใดควรที่จะฟังสําหรับสามีของลูกขอหลวงพ่อขอหลวงพ่ อ, อ, งงพอกรุณาแนะนําด้วยเถิดเจ้าค่ะได้ความจริงอารมณ์ของเธอก็ดีอยู่แล้วนะได้เมื่ออารมณ์ดีอยู่แล้วก็พอใจอยู่แล้วก็ปล่อยตามนั้นถ้ลูกการเข้าถึงคําสอนของพระชาทั้งก็ดีพวกพระชาก็เป็นพระดี หลพ่อเคยพบท่านในพระตำหนักภูพิพงเอ่ในในพระตำหนักไ ส, สายทักไสายสารทักษินในพระบรมมหาเชาวงท่านดีมากแล้วก็การฟังเทพเขาก็ดีอยู่แล้วทีนี้เทพอะไรจะดีเนี่ยลูกลองลองเอาเท พ, พโพริ์มศุดดาบันให้เขาฟังนะพราง่ายดีบางทีเขาจะเข้าถึงเพ้าที่ลูกเห็นว่าเขาเป็นพระในข้อสองนะ พ่อก็คิดเหมือนกันว่าเวลานี้อารมณ์เขาน่าเป็นพระอยู่แล้วนะเขาดีมากอยู่แล้วถ้าเขาพอใจอะไรเป็นให้เป็นไปตามนั้นฝ่ายธรรมะจะไปฝืนใจเขาแต่ พ, พ่อคิดว่าถ้าเอาเทพโสสดาบั น, นสิกธาคามีก็ฟังจะดีมากนี่ต่อไปจดหมายของเธอว่าลูกได้ถวายปัจจัยมาพร้อมกับจดหมายนี้ด้วงพ่อได เพื่องพ่อได้ใช้ใจ่ายส่วนตัวโดยเฉพาะการใดที่อะไรอ่านไม่ขึออกอการใดที่มิบางควรลูกขอกราบประธานอภัยมาแ ท, แทบเท่าหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะวงเล็บลูกได้แนบซองปิดสแต็มถึงตัวลูกมาเองพร้อมด้วยจุดหมาเนี่แล้วความจริงน่าจะตอบนานนะหลวงพ่อลูกไม่ขึ้นลูกเอ้ยยังป่วยอยู่เวลานี้ก็ยังป่วยยังลูกไม่ขึ้นยังนอนตอบ ต้องขออภัยด้วยนะลูกนะพอรอลูกฝันว่าได้คุยกับหลวงพ่อสองครั้งแล้วก็ถามปัญหาธรรมอย่างนี้นับว่าลูกได้พบหลวงพ่อจริงๆหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ต้องได้พบแน่ที่ลูกฝันเจอกันลคุยกันทำไมจะไม่ได้พบล่ะถ้าพบทางไหนก็บอกพบทางฝันถ้าพบทางฝันมันดีดีกว่าพบเนื้อตอนเนื้ออีก เวลานั้นสั ญ, ญาอวิิตของลูกทรงทำดีมากจริงฝันเห็นพระแล้วก็สามารถคุืกันได้เป็นของดีมากลงชื่อพี่ไลวันเจ็บฟรีเอ อ, อ, อดีดีมากลูกเลยเ อ, อต้องขออภัยนะลูกนะที่มันตอบช้าเกินไปน้งพ่อพ่อก็เลยต้องตอบพร้อมๆกันเพราะไอ้เทปนี่มันก็ป็นสามสิบนาทีนี่ลูกถ้ามันยังไม่หมดเพ่อก็เขียนพงก็พูดของคนอื่นเรื่อยๆไปด้วยก็เลยฟังของคนอื่นไปด้วยไปด้วยนะ รวมความว่าวันนี้ก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องเดี๋ยวก่อนหาจดหมายฉบับต่อไปอีกถึงก็แกก็แก้ก็แกก็ขออภัยนะักขุนแก่นี่ลูกเอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้ยันรู้นะปอก็แก่มากแล้ว ม, มันก็จะเจ็บสิทธิได้ลูกเอ้ยเอาลูกเด็กหนุ่มยังสาวกันอยู่ก็ทําดีกันไปนะอย่าทำชั่วเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ที่พูดในข่าวเวลานะหาหาจดหมายมัยังไม่เจอติ เอาเจอแล้วนี่ของใครเขาเขียนว่า95ทัพหนึ่งสถานีของส่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันที่7พฤศจิกายน2525นี่นนของใครเขาดูชื่อหน่อยอ้อไอ้ลูกสาวคนสำคัญวารุนีโจงสิริรุงโลดโอ้ยสี่ห้าปีน้องในใจบุญนักบุญจริงๆเป็นนักบุญที่ไม่พูดไม่พูดไม่จ้าไม่ปราศัยมีงานงานาที่แล้ว ก, ก็ช่วยทา ทำบุญก็ทำไม่ไดิดคุยก็ดีกันมากอขอยกย่องสันเสริญคนดีนะวันดวงวันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยี่ิบห้าเนี่ยตั้งแต่สองห้ายังไม่ได้ตอบสองสี่ก็เยอะไม่ได้ตอบมันลุกไม่ขึ้นลูกเลยก็ขอตอบด้วยเสียงที่แปลว่ามาคุยทึงห้องนอนลูกเลยก็แล้วกันนะแต่มาด้่เสียงนะตัวมันมา ตัวมาไม่ได้เดี๋ยวนตัวมาด้วยแล้วก็นายก็ก็ปรับจับอบัตจะปรับะ บ, บัตแน่นอนนะเป็นนั้นว่าเนียใจความของเธอมายุ่งอะไรการเธอเขียนว่าอย่างนี้กราบนโมเสการแทบเท้าองค์หลวงพ่อที่กรลบอย่างสูงโอลูกลู ก, ลกพี่น้องคณะจงศรีลุงโรดทุกคน ขอน้อมถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อเพื่อใช้ตามวิทยาสายจํานวนหนึ่งพันบาทเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อป่วยเดี๋ยวนี้อาการก็คงจะหายดีแล้วนะเจ้าค่ะยังลูกเลยที่พูดเสียงเจียวๆมานี่พ่ อ, อยังนอนพูดนะลูกนะเวลานี้ยังลงสอนกรรมฐ า, ายก็ไม่ค่อยได้บางวันก็ล้มได้บางวันก็น ล, งงนกนลงไม่ได้แขกมาก็เอาที่ก็ทนไปรับแขก หน้ามือตาโมก็ไปลูกเลยต่อไปลูกมาวัดตอนกระถิน่นทราบว่าหลวงพ่อไม่สบายลูกรู้สึกใจแป้วแป๊ใจแป้ว แ, แ, แต่ลูกทราบสิ่งเคารพรักองค์บูชาน้ําใจขององค์หลวงพ่อเหลือเกินขณะหลวงพ่อไม่สบายหลวงพ่อก็ยังออกต้อนรับทักทายบรรดาท่านมาพุทธบริษัท ด้วยอาการยิ้มแย้มเหมือนกับไม่ป่วยเลยไ <c oughs> อ้ น, นี่ก็มันเป็นเรื่องปกติขอหลวงพ่อหร อ, อกหลวงพ่ออะไรพูดไปทางหลวงพ่อพูดไปบางทีก็ไอไปด้วยจริงตอนนั้นไอามากตอนนี้หาไม่ไอแล้วถึงไมว่าลูกจะอยู่ไกลก็นานๆครั้งถึงจะได้มานำมาสกการหลวงพ่อ แต่ลูกก็คิดว่าหลวงพ่อจะต้องไม่สบายมากก็ยินเสียงไอของหลวงพ่อแล้วช่างสแส บ, บลึกเข้าไปในหัวใจจริงแ้วใจของลูกเหลือเกินหลวงพ่อคงจเจนเลยมากนะเจ้าคะลูกก็ได้แต่ขอกราบอารัธนาบ ร, รมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกทุกพระองค์บ ร, รมีพระธรรมบ ร, รมีพระอริยสงฆ์ทั้งหลายขอให องหลวงพ่อผู้มีพระคุณและเป็นศูนย์ดวงใจของมันดาลูกทั้งหลายจงหายวันหายคืนความป่วยไข้จะได้มีกับหลวงพ่ออีกต่อไปเลยเจ้าค่ะอ๋อนี่มาเดี๋ยวถามปัญหานี่นะให้เขามาจูมันด้วยก็ไม่เป็นไรน้ำมันส ก, กรด้วยความเคารพอย่างสูงวารินรุณีจงสืบโลโลดเออลูกลักขอบนึกว่าเป็นปัญหาเข้ามาจูมาด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดูห่วอย่างนี้ก็ดีแต่ความจริงไอ้คนห่วงพ่อน่ะบางทีบางทีเขามีเยอะนะลูกนะเขาห่วงแต่บางรายก็เลยเกินแม่กนการลูกลืมห่วงนะบางทีแกมาก็จะเอาแต่ใจอย่างเดียวจะต้องลงไปหาแตกมาอะไรมั่งอนุลูกไอ้พ่อมันรู้สึกมันเป็คนมีกรรมอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นกฎของกรรมแต่เวลานี้พ่อก็ยำแย่แล้วบางทีแขกมาไหวก็ลงไม่ไห่ไหวก็ลง ตอนนี้ก็เป็นจดหมายของใครล่ะไอหลูกจิศใครว่าเจ้งอีกแล้วอะไรสุยยงสุยยงชื่อสุยยงนะสุยย้งลานชิงหนีหวดน90ทับ6ถนนพลเสนประตูน้ำจังหวัดนครศรีมา <c oughs> ไอ้ลูกสุยยงนี่บอกว่าต้องการพระนิพพานแม่หลวงพ่อเขาตอบสั้นๆนะลูกนะคงจะไม่อ่านเยอะๆ <c oughs> แต่เรสั้นๆ <c oughs> นเบิดต้องการอารมณ์พระนิพพานมานะอารมณ์พระนิพพานในความจริงเทพหน้าหนึ่งชัดเจ๋วแน่นะลูกนะคือลูกถ้าลูกต้องการนิพพานจริงๆไอ้การต้องการนิพพานนะลูกเราคิดว่าเป็นเรื่องเพอ้อฝันนะมันเป็นของดี ถ้าถ้าต้องการนิพพานจริงๆแล้วก็ลูกออกอย่างนี้นะอันดับแรกนะลูกถือก็มาบทสิบแทรกสินห้าชนิดหนึ่งนะนั่นก็หมายความว่าหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์แตชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เว้นเด็กขาดสองไม่ถือเอาทรัพย์สินที่จะของอนุญาตให้กับเราเองสามไม่แย่งสา ม, มีของคนอื่นไม่รุ่มร่ามหนึ่งกามารม <c oughs> แล้วสี่แถมนิดไม่ดื่มสุราเดี๋วมีไรเว้นไว้แต่การสายยานี่ทางกายทางวาจาจะไม่พูดวาจาที่ไม่จริงเด็กขาดสองจะไม่พูดวาจาอยากให้พิธีสะเทือนใจของคนฟุบฟังสามจะไม่พูดวาจายุให้เขาแตกกันคือไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุแยงเขาห้าจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ เท้าสี่สี่ที่พูดวาจาที่ได้ประโยชน์นี่ทางวาจาทั้งด้านจิตใจด้านจิตใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยมีจารานุปธิตวัตกรรมฐานเป็นฌานสมาบัติให้ทานแทนแทนแย่งเขาให้ทานด้วยนะให้ทานตามสมควรอย่าให้เกินพอดี แล้วก็สองจิตจะไม่คิดว่าทุสรายไขยโดยมีพรมีหารสี่ประจําใจหรือว่ามีกระสินสี่คือสินสีแดงสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามใจชอบทําให้เป็นฌานสมาบัติแล้วก็สจะไม่มีความเห็นผิดคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราจะไม่เกิดอีก จุดที่เราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ใชอารมย์ยับยั้งหนึ่งความโลภคืออยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอยาให้มีในใจให้ทานไว้เสมอ 2. อรได้ยับยั้งความโกรธให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่พูดอยู่ในปกครอง 3. เราจะไม่หลงใ น, นมนุษย์โลกเทวโลกต่อพุโลกว่าดีจิตที่เราต้องการจริงคือนิพพานทาจิตสงบ โกรธทําเหมือนไม่โกรธเขาพูดไม่ชอบใจได้ยินแล้วทําเหมือนไม่ได้ยินเขาก็แดงให้ดูเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจเห็นแล้วทําไปไม่เห็นทําจิตให้เป็นสุขถือว่าโลกนี้มีเราคนเดียวเท่านั้นพอโลกเท่านี้นะลูกเลยเรื่องนี้ผ่านเป็นของไม่ยากตอนนี้ก็มา่้นไม้ต่อไปต้น <c> ไ <oughs> ม้ต่อไปนี่ของใครอะไรจิ้วชัยเพชรจิ้ว จิ๋วชัยเพชรเนี่ยมันชื่อคนหรือชื่อร้านนะนครราชสีมาเดี๋ยวก่อนอจิ๋วชัยเพชรสองเก้าห้ามู่ที่สิบสี่ตำบหลหนองจะบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใจความว่าอย่างไงจดหมายตั้งแต่ยี่สบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยี่สิบหกน้ำมันส ก, การลงข้อที่ครบ ลูกเป็นชาวโคราชและเคยเดินทางไปนมาเสกการหลวงพ่อแล้วแล้วสองครั้งแต่ไม่ได้หัดทำไม่หัดนั่งนั่งสมาธิเพราะว่ารถต้องรีบกลับลูกก็มีปัญหาจะกลับไปหลวงพ่อดังนี้อ๋อดีๆๆ ด, ด, ด, ด, ด, ดหนึ่งห้องพระที่บ้านหันหน้าพระบูชาไปทางทิศเหนือ จะถูกหรือผิดบ้างนะครับหลวงพ่ออ๋อเรื่องพระบูชาการบูชาเป็นการยอมรับนับถือลูกเลยหันไปทางไหนก็ไม่ผิดแต่ว่ามันมีตาราตาราหนึ่งนะที่หลวงพ่อปานท่านแนะนำว่าถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ก็ดีทิศตะวันตกก็ดีเงินมันจะไม่เหลือใช้หลวงพ่อเคยไปถามนยายทหารอากาศท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ทีแรกท่านหันหน้าพระประธานทิศตะวันออกแล้วต่อมาท่นานบอกมันอยู่ใกล้ห้องน้ําขยับห้องใหม่ต้องหันหน้าไปทางทิศใต้ไปถามได้ว่าหันหน้าไปแล้วกี่เดือนท่าบอกสามเดือนก็คนเนี่ยเป็นคนไม่สูบุหรีด้วยไม่กินเหล้ า, มาเมายาไม่เทียเ่ยวกเกิกมะเล็กเมลเลยไม่เที่ยวไปไหนตรงไปตรงมาเลิกงานก็กลับบ้านพอใจบ้านเห็นบ้านเป็นสวรรค์ ก็ถามว่าตามโบติเงินท่านเหลือใช้ถามว่าเป็นไงบ้างสามเดือนเงินพอใช้ไหมแต่หันไปถามพัญญาบอกเออจริงๆนะสามเดือนในเงินเราไม่เหลือจริงๆก็เป็ลว่าการหันหน้าพระพุทธรูปไปทางไหนไม่ผิดตามข้อติพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหันหน้าไปทางใต้ทิศตะวันตกฝตังจะไม่เหลือใช้โลกตามที่ประสบการณ์นะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องหมอดดูที่เหลือก็ไม่เป็นไร ทีนี้ข้อสองลูกถามว่าตัวบุคคลที่จะหัดนั่งสมาธินั้นจะต้องหันหน้าไปทางทิศไหนทิศใดจึงจะดีเจ้าค่ะและจะต้องจําเป็นฝึกในห้องพระหรือไม่อ๋ออันนี้ตัวคนฝึกหัดสมาธิไม่จําเป็นลูกทางไหนก็ได้มีอยู่ที่ใจครับว่าจะฝึกที่หน้า คือเราไม่ได้ฝึกที่ตัวไม่ได้ฝึกที่หน้าเราฝึกที่ใจหันหน้าไปทางที่ไหนก็ได้จะเป็นห้องพระหรือห้องไหนก็ได้ที่เขาอยู่ในป่าในโดงไม่มีพระพุทธรูปทำไมเขาทำกันได้ล่ะแล้วก็ลูก ต, ตอบว่าทุกครั้งที่จะเริ่มจุดเทียนและบูชาบูชาพระนะจุดทูกจดุดเ ท, ทียนบูชาพระจิ้งจกจะร้องทันทีทุกครั้งที่ไม่ไม่เคยเว้น สาเหตุก็นเนื่องจากอะไรเจา้าค่ะอันนี้ดีมากนีด่ดีดีดีมากลูกเพราะว่าจริงจกร้องทักคนจะเชื่อจริงจบด้วยนะแต่ี่ธีเชื่อก็มือท่าบูชาพระเสร็จให้รีบดับไฟแะ้ถ้าคืนไม่ดับไฟจะเกิดบูชาใหญ่เพราะอะไรเป็นว่าจริงจบจะร้องทักหรือไม่ทักก็ช่างเพวะมันเวลาที่เราจุดไฟบูชา บูชาให้เรียบร้อยดิจิตเป็นศุขบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะนั่งกันมาถานมันดับให้หมดทั้งทูบทั้งเทียนไฟจะได้ใหม่ใหม่บ้านไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไฟจะลุกมากเกินไปมันจะเกิดติดบ้านติดช่องมาจะลาบากเออเนี่ก็ขาดีมืันกันใช้ได้ใช้ได้ไ ด, ดีลูกใจบุญจรกุศลดีมากลูกเลยอันนี้จะต้องพ่อก็ความอิจฉบับนั่นก็นเหลืออีกสักแปดนาทีมันจะไปรอดแต่ไม่รอดมันเขาก็ถามว่าอย่างไง รายการนี้ถามมาเยอะเลยแต่ว่าขออ่านเฉพาะคำถามเรื่องเราอธิบายมากชื่อจิสุจิราอะไรลิ ล, ลิตาพร น, นะสุจิลาลิลิตาพรสามสองสี่อะไรถนนมหาจิตตำบลปิมปรามอาเภอป้อมปราบกทมออ อเรื่องอื่นๆหนูเรื่องวิญญงเรื่องอะไรต่ออะไรนั้นพ่อจะไม่พูดไปนะไอ้ที่เขียนมาแล้วบอกขออย่าให้ออกอากาศแล้วอ ย, อย่าให้ปิดปกปิดพราก็ราจะปิดจะพูดจะพราะคําคถามเลย <c oughs> คําถามของหนูว่าหนึ่งหนูไม่กล้าทานอาหารเนื้อสัตว์ทุกชนิด <c oughs> บางคราวในวงเล็บบางคราวปฏิงานพยายามทานค่ะ ตัวคนที่จะเข้าใจผิดใจใจผิดอเจ้ารย์จะเข้าใจผิดว่าหนูเป็นอะไรไปในวงเล็บปิดอ๋อไอเรื่องรับทานอาหารนี่หนูให้เป็นไปตามความพอใจก็แล้วกันนะถ้าไม่รับทานเนื้อสัตว์ได้เลยก็ดีหนูไม่ใช่พระนี่นหนูเป่นฆราวาสหนูทําอาหารกินเองมันสะดวกถ้าเราไม่ต้องการรับทานเนื้อสัตว์คุณพ่อก็บ่าดีนะก็้พวกผักต่างๆน่ะ บัวควายช้างม้าม่กินกําลังมันก็ดีหากที่มีคุณค่าดีกว่าเนื้อใสกระทมไปแล้วก็ไม่มีก้างแต่ ว, ว่าถ้าเป็นพระก็ไม่ค่อยเหมาะนักพระที่ท่านถือกินชั้นเจ ก, ก็มีหรือว่ามังสวิรัติก็มีก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรน่ากินน <c oughs> ที่ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อมีลูกหาลูกมีลูกมีลู ก, ม, ลกมีหลานมาก เดี๋ยวคนนั้นก็ น, นั่นมาถวายนี่นี่มาถวายตามความพอใจก็ฉันเนื้อสัตว์ก็ฉันผักก็ฉันแต่ว่าถ้าลูกไม่บริโภคเนื้อสัตว์ได้จําให้มีกังวลและพ่อพอใจด้วยนะไม่เป็นไรดีดีแล้วค่อยสองลูกบอกว่าชอบทําบุญรู้สึกทําแล้วมีความสุขใจมากแล้วก็ชอบอ อ, อะไรลูกเอ้ให้วิพอรอะไรก็ว่า น, นี่พ่ออนไม่ออกนะล้วก็ทำบุญแล้วชอบใจมากอีกอีกวักหนึ่งอ่านไม่ออกลูกแล้วก็ไหว้พระ อ, อ๋อชอบชอบไหว้พระสวดมนต์แต่ว่านั่งสมาธิไม่เป็นเออลำบา ก, ำบากลำบากลาบากการทำบุญแล้วสุขใจชอบไหว้พระแล้วก็สวดมนต์เป็นเรื่องก็คนดีลูก คนที่ไม่เคยมีบุญบา ร, รมีมาก่อนไม่สั่งสมความดีมาก่อนไอ้บุญนี่ครับเรียกว่าความดีนี่ความดีของลูกในการก่อนสั่งสมมามากคนที่จะนิยมทําบุญแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันหาไม่ค่ง่ายนักเวลานี้ก็มาหาได้เยอะแต่ว่าคนที่ขโมยพระไปขายก็มีไม่น้อยเหมือนกันเป็นนั้นว่าถือว่าเป็นความดีเดิมของลูกเอาไปอนุสติลูกเลยม า, าดีมาก แต่เรื่องการนั่งสมาธิในลูกอย่าลืมนะคำว่าสมาธินี่ครับประวัติตั้งใจตั้งใจไว้ในด้านของความดีการที่ลูกทําบุญคิดว่าจะให้ทานสมมติเอาข้าวไปถวายพระพระสงฆ์อย่างนี้จัดว่าเป็นสมาธิแล้วลูกตั้งใจคิดว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้หรือเดือนหน้าเราจะไปวัดน้นหราจะไปวัดนี้ไปที่นั่นเราจะไปทําบุญกับพระองค์นั้นองค์นีน้ ตอนนี่คิดว่าจะไปทําบุญจะเอาเงินไปทําบุญเอาของไปถวายอาหารไปถวายอันนี้เป็นจารคานุสติกรรมฐานจิตเป็นสมาธิในจารคานุสติกรรมฐานแล้วลูกนี่เป็นกรรมฐานที่แน่นอนและเที่ยงตรงเป็นสมาธิจริงๆที่ไม่ต้องไปฝึกแล้วมันเป็นจริงมันเป็นอยู่แล้วถ้าลูกจิตลูกนึกถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นประสงค์ที่เราจะปถวายหรือคณะใดคณะหนึ่ง อย่างนี้จัดเป็นสังขานุสติกรรมฐานอันนี้เรียกสมาธิก็ใหญ่นั้นยังจะขณะใดาที่ยังนึกถึงอยู่ขณะนั้นชื่อวจิตยังเป็นยังมีสมาธิในสังขานุสติกรรมฐานถ้าจิตคิดเจ้าของไม่ให้ที่ว่าจิตมีสมาธิในจารคานุสติกรรมฐานถ้าลูกต้องการจะไหว้พระขณะใดาที่ไหว้พระบูชาพระอยู่ ถ้าพระที่บูชาเป็นพระพุทธรูปจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าลูกมีความพอใจในคําสวดในคำภาวนาในคําบูชาใดๆที่เป็นคําสอนพระเจ้าเวลานั้นเป็นสมาธิในธรมมานุสติกรรมฐานและกขณะที่บูชาพระอยู่นั่นนึกถึงพระสงฆ์ด้วยเวลานั้นจิตก็มีสมาธิในสังขานุสติกรรมฐานโอ้โห ลูกย่าวยงไงลูกทำดีเหลือหลายแล้วแล้วเพราะการทีสามก็ในการสวดมนต์การสวดมนต์นี่มีในสงย์ใหญ่คนที่มีการสวดมนต์เป็นปกติเวลาที่สวดมนต์จิตมีความสุขขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่จิตมีความสุขเวลานั้นถือว่าจิตมีสมาธิในเป็นอุปจารสมาธิในการสวดมนต์ ในการสวดมนต์นี่ก็เป็นผลโยงจิตให้เกิดศรัทธาแบบสาธะมีความเชื่อความเดิมสายจิตใจตั้งไว้เฉพาะในพุทธานุปฏติธรรมานุปปติสังขานุปปติการสวดมนต์นี่เป็นธรรมานุปฏตินะลูกนะเป็นพระธรรมคําสั่งสอน อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลนี่ไม่ใช่เล็กน้อยเลยเป็นผลมหาศาลถ้าจิตใจลูกมีความเคารพมีความเดิมสายปีติไม่ไม่แรงนัก ก็มีสมบัติในเช่นกามาวจรสวรรค์ได้แน่นอนเกิดไปสวรรค์ได้แน่ถ้าลูกมีกําลังใจไมั่นค ง, งวันไหนไม่ได้สวดมนต์วันนั้นไม่สบายวันไหนไม่บูชาพระวันนั้นไม่สบายใจอันนี้เป็นชานโลกไปเป็นภพถ้าจิตใจของลูกไม่นิยมคิดว่าโลกนี้ไม่เป็นเรื่องเทวโลกพุทธโลกไม่เป็นเรื่องแล้วต้องการอิพานอันนี้หวังได้แน่นอนนะแล้วก็ข้อที่สาม อันนี้ทุกครั้งที่ไปกราบหลวงพ่อหนูอะไรจะไว้อะไรก็จำไม่ได้ลูกเ อ, อาไม่ออกนะตอนนี้ข้อที่สามไม่อ้อไม่ยอมให้ใครฆ่าสัตว์ในบ้านนะ้ดีมากลูกดีมากเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกไม่สมบายใจแต่ตอน แต่ตอนไม่เป็นเพราะไม่มีอาหารเขาอดค่าค่าก็ไม่ค่าก็ไม่ไปอะไรเนี่ยแต่ก่อนนี้แต่แต่ก่อนนี้ไม่ไม่เป็นเพราะไม่มีอาหารเขาค่าเขาค่าก็ค่าไปแต่ดูว่าเดี๋ยวนี้รู้สิกว่าอึดอัดอ๋อเป็นไรว่าในบ้านของลูกเองไม่ต้องการให้ใครฆ่าสัตว์ฆ่าแล้วมาสบายใจโอ้จิตมหาเมตตาอย่างนี้ลูกนะ ถ้าจิตมีกำลังใจอย่างนี้แล้วก็ทีมันคบพ้นบริบูรณ์นันเองลูกเลยถ้ารวบรกมกำลังใจอย่างหนึ่งนะคิดว่าโลกนี้ก็ดีเทวโลกก็ดีสุมาโลกก็ดีไม่มีความหมายสำหรับเราจิตใจที่เราต้องการคือนิพพานอย่างเดียวเวลาที่บูชาพระเสร็จหนูก็ภาวนาสันิดสักสองสามนาทีนะว่านิพพานสุขังนิพพานสุขขั ง, ขขงเราต้องการไปนิพพาน แค่นี้เป็นมหากุศลเลิศแล้วลูกการไปเจริญสมาธิที่ไหนไม่ต้องไปก็ได้แต่หากว่าจะฝึกมโนยิธิได้ ล, ลูกจะหมดสงสัยใ น, ในผลการปฏิบัติเพราะผลการปฏิบัติของลูกเลิศมากเวลานี้เวลาก็เลยไปสักครึ่งนาทีขเขาเลิกกล้วลูกนะกนะขอยุติการคุยว่าแต่เพียงนี้เขาความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีเดบันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี